ตอนที่แปดฝีปากล้าเยี่เยียวที่ก้าออกมาจากประตูแอบยกยิ้มที่มุมปากนางต้องการให้เป็นเช่นนี้ให้คนทั้งใต้ล่าได้รับรู้ว่าเป็นซื่อจื่ออ๋องซีนที่ดึงแดนจะแต่งงานกับนางส่วนนางนั้นไม่ได้อยากแต่งงานด้วยเลยแม้แต่นิดเดียวรถม้าคันนี้จอดอยู่ตรงนี้นานแล้วคานินทาพวกนี้คนที่อยู่ข้างในคงจะได้ยินไปไม่น้อยกระมังเทียงแค่จินตนาการว่าใบหน้าหล่อเหลาของหลินเซินจะมืดคลึมได้ถึงเทียงไหนเยี่เย่ก็รู้สึกสะใจยิ่งนัก เมื่อเทียบกับความทุกข์ทรมานที่นางได้รับในชาติก่อนคํานินทาเพียงเท่านี้ยังไม่นับเป็นเศษเสี้ยของขนวัวตัวเดียวเสียด้วยซ้ําเจียนเจียและไปลู่ได้ยินแล้วก็ใจสัน่นแขวญแขวนเสียงที่กระซิบข้างหูเยี่ยยาสันเครือคุณหนูพวกเราล่วงเกินซื่อจื่อเช่นนี้ท่านไม่กลัวเขาจะกโกรธหรือเจ้าคะอย่างไรเขาก็เป็นถึงซื่อจื่อนะเจ้าคะหากเขาขุนเคืองพวกเราขึ้นมาเยี่ยเยากลับยิ้มออกมาเขากโกรธข้าเสียิ่งดีจะได้เป็นฝ่ายไปทูลขอยกเลิกสัญญามั่นหมายกับฟาบาดเอง จะได้ไม่ต้องให้ค่าเสียเวลาคิดหาวิธีรับมือกับเขาให้มากความสาวใช้ทั้งสองพันตรหนักได้ทันทีเพื่อที่จะไม่ต้องแต่งงานกับซื่อจื่อคุณหนูของพวกนางช่างทุ่มเทยิ่งนักทุ่มเทยิ่งกว่าตอนที่อยากแต่งงานกับคุณชายเปี่ยวเสียอีกทว่าคนที่อยู่ในรถมา้ากลับทําให้เยี่ย์ย่อมต้องผิดหวังหลังจากรอคอยมาครึ่งค่อนวันหลินเซินย่อมได้ยินคํานินทาเหล่านั้นไม่น้อยแต่เขากลับทําเป็นหูทวนลมในทางกลับกันเซี่ยชิงจือกลับขมวดคิ้วบ่อยครั้ง คนพวกนี้ใส่ร้ายป้ายสีเช่นนี้ได้อย่างไรที่หลิงเซินเหตุใดท่านถึงไม่ใส่ใจเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องแค่นี้จะนับเป็นอะไรได้จะเทียบกับตอนที่เย่เยาเน็บแนมต่อหน้าว่าเขาไร้น้ำยาได้อย่างไรเซี่ยชิงจือไม่รู้เรื่องเหล่านั้นนางจึงได้แต่ตะลึงงานคิดไปว่าเขาไม่สนใจคำมินทาเพียงเพราะต้องการแต่งงานกับเย่เยาให้ได้ดวงตาที่งดงามคู่นั้นพลันหม่นแสงและก้มลงมองต่ำนอกม่านมีเสียงของหนานเฟิงดังขึ้น เือจือแม่นางเยี่ยออกมาแล้วขอรับเสี้ยชิงจือยังอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่ทันได้อ้าปากหลิงเซินก็ก้าวลงจากรถม้าอย่างรวดเร็วกับสายลมนางจึงจำต้องตามลงไปเยี่ยเยายืนนิ่งอยู่บนบันไดหน้าจวนกัวกลมดูเหมือนนางจะยังไม่มีเจตนาที่จะก้าวเดินต่อนางสวมชุดสีเรียบสะอาดตายิ่งส่งเสริมให้ดูเหมือนเทพเซียนจุติที่ไม่กินกรมเทพวิสัยกลิ่นอายของนางดูเย็นชาและห่างเหินยิ่งกว่าหลิงเซินเสียอีก เซียชิงจือรู้สึกฉงยงใจในเมื่อไม่เต็มใจถึงเพียงนี้เหตุใดถึงยังเป็นฝ่ายนัดพวกตนไปล่องเรือชมทะเลสาบลินเซิร์นไม่โกรธแต่กลับยิ้มออกมาเขาเดินเข้าไปหานางเย้เย้ในที่สุดก็แต่งตัวเสร็จเสียทีช่างเป็นความงามราวกับกระดูกหยกผิวพันเทพพิดาสมเป็นชมสคราเหนือมนุษยจ์จริงๆเขาขามวดคิ้วพิจารณ า, านางอีกครั้งแ ต, แต่แต่งตัวตั้งนานเหตุใดถึงดูเรียบง่ายเช่นนี้เย่เย่เลิกคิ้วขึ้นน้ำเสียงร้ซึ่งความอบอุ่น ในเมื่อได้รับคำชมว่ากระดูกยกผิวพันเทพพิดาเป็นโฉงสครานเหนือมนุษย์จากซื่อจือแล้วมิใช่หรือแม่นางคนนี้ฝีปากกล้าเสียจริงแต่เซี่ยชิงจือที่เป็นสตรีเหมือนกันย่อมเข้าใจดีว่าเยี่เยาวจงใจให้พวกตนรอนานทิ่งนี้หัวคิ้วของนางขมวดมุ่นขึ้นอีกเล็กน้อยทว่าหลิงเซินยังคงไม่ใส่ใจเขาขยับยิ้มที่มุมปากแล้วภายมือเชิญตามที่เยาเยาสั่งรถม้าเตรียมพร้อมแล้วชิงจือจะร่วมทางไปด้วยเปิลซื่อจือมารับด้วยตัวเอง เยาเยยังคงยืนนิ่งไม่ขยับหรือจะให้เปิดเื้อจืออุ้มเจ้าขึ้นรถม้าด้วยตัวเองขณะพูดเขาก็ก้าวเท้ายาวๆขึ้นไปบนบันไดสองก้าวแววตาของเย่เยาฉายแววตื่นตระหนกที่ซ่อนไว้ไม่มิดนางรีบยกมือขึ้นห้ามทันทีไม่ต้องลินเซนยกยิ้มมุมปากแล้วถอยเท้าที่ก้าวขึ้นบันไดกลับมาต่อให้นางจะฝีปากกล้าเพียงใดก็เป็นเพียงเด็กสาววัยสิบหกปีเท่านั้น เย่เยาข่มความไม่ยินยอมในใจแล้วเดินไปที่รถมา้าเมื่อเห็นเสี้ยชิงจือยืนรออยู่ข้างรถสายตาของนางก็เ ย, ย็นเยียบขึ้นมาอีกครั้งในชาติก่อนที่เย่เยาต้องตายทั้งกลมเสี้ยชิงจือผู้นี้มีส่วนร่วมไม่น้อยเป็นเสี้ยชิงจือที่แอบวางที่กูใส่เยี่เยาทําให้ทารกในคันเติบโตเร็วเกินไปและกัดกินร่างกายของมันได้อย่างหนักมิเช่นนั้นเย่เยาจะเพียงแค่ได้ยินข่าวร้ายของบิดาและพี่ชายแล้วกระอักเลือดตายจนตายทั้งกลมอย่างประบางเช่นนั้นได้อย่างไร และก็เป็นเสี้ยชิงจือที่กล้าออกมายืนยันหนักแน่นว่าเหง่เย่เยาเต็มใจติดตามบัณฑิตผู้นั้นไปเองไม่ใช่การลักพาตัวแต่เหมือนการนัดพบของคนรักมากกว่าด้วยเหตุนี้เย่เยาจึงกลายเป็นคนคบชู้กับสายลับส่งผลให้ตระกูลเย่ยถูกปราหน้าว่าสมคบคิดกับศัตรูขายชาติศัตรูอีกคนหนึ่งความแค้นในอกของเย่เยาพุ่งพ่านราวกับพื่นยักย้ายเล็บของนางจิกเข้าที่กลางฝ่ามือจนแทบจะทะลุเพื่อข่มอารมณ์ไว้ในเมื่อชาตินี้ทุกอย่างยังไม่เกิดขึ้นนางจะต้องระแวดระวังเสี้ยชิงจือผู้นีี้้ใหด เสี้ยชิงจือยิ้มและเป็นฝ่ายทักทายก่อนขอบคุณพี่สาวเย่ยที่เชิญมามิเช่นนั้นชิงจือคงพลาดบรรยากาศและดูใบไม้ผลิที่งดงามเช่นนี้ไปแล้วจะไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกเย่ยตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาสายตาเหลือบมองหลิงเซินที่เดินตามมาข้างๆอย่างไร้ความหมายข้าเองก็ไม่ได้มีอารมณ์สุนทรีเท่าไหรนักเสี้ยชิงจือพันรู้สึกกระอักกระอ่วนขึ้นมาทันทีเห็นได้ชัดว่าคำพูดนี้จงใจกล่าวให้หลิงเซินฟัง ลินเซินกลับมองท้องฟ้าอย่างสบายอารมณ์ทัศนียภาพฤดูใบไม้ผลิช่างงดงามยิ่งนักจริงๆรรอจนได้ล่องเรือในทะเลสาบเยาเยาจะต้องเกิดอารมณ์สุนทรีขึ้นมาแน่คำพูดของลินเซิร์นมีความในแฝงอยู่เย่เยาปลายตามองเขาด้วยหางตาไม่เอ่ยคำใดแล้วก้าวขึ้นรถม้าไปเองนานเฟิงและชังจวินคนหนึ่งบังคับรถอีกคนหนึ่งจูงมา้ารถมา้ามุ่งหน้าไปยังทะเลสาบอิงเย่ที่ใหญ่ที่สุดและมีทัศนียภาพงดงามที่สุดในเมืองหลวง สมกับเป็นของใช้พระราชทานรถมา้าของจวนซีน อ, องค์นอกจะจรหรูาแล้วยังกว้างขวางใหญ่โตยิ่งนักเหล่าสาวใช้เดินตามรถม้าไปภายในรถมีเพียงพวกเขา3าคนพื้นที่จึงกว้างขวางเหลือเฟือไม่มีความรู้สึกเบียดเสียดเลยแม้แต่น้อยเย่ยดูไร้อารมณ์ร่วมจริงๆหลังจากขึ้นรถมานานนางก็เอาแต่หันไปจ้องมองทิวทัศน์นอกหน้าต่างไม่แม้แต่จะเหลือบมองหลิงเซิร์นเลยสักนิดเสี้ยชิงจือเองก็พื่อยโดนหางเลขถูกเมินเฉยไปด้วย ถว่าหลิงเซินกลับไม่เกรงใจเลยแม้แต่น้อยเขาจ้องมองเยี่ยงยาอย่างเปิดเผยขาเรียวยาวข้างหนึ่งชันขึ้นมือเท้าสอกเอียงเขาจ้องมองอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดเรื่องนี้กลับทําให้เซี่ยชิงจือลำบากใจสายตามองสลับไปมาระหว่างคนทั้งสองจะพูดก็ไม่ใช่ไม่พูดก็ไม่เชิงคนสามคนนั่งรถม้าคันเดียวกันแต่กลับไม่มีใครพูดจาบรรยากาศที่หยุดนิ่งเช่นนี้ทําให้เซี่ยชิงจือปวดหัวเหลือเกิน นางไม่เข้าใจจริงๆว่าเหตุใดเยเยวถึงเป็นฝ่ายชวนพวกเขามาเที่ยวทะเลสาบหรือเพียงเพื่อต้องการให้ทุกคนรู้สึกอึดอัดไปพร้อมกันเดิมทีเซียชิงจือเป็นบุตรสาวของเจ้ากรมกลาโหมเมื่อสิบปีก่อนทั้งครอบครัวถูกนักฆ่าตันตีฆ่าล้างตระกูลนางรอดชีวิตมาได้เพราะถูกซ่อนไว้ในบ่อ น, น้ําแห้งหวังเฟยกับมารดาของนางเป็นที่น้องร่วมสาบานเห็นนางกำพร้าโดดเดี่ยวจึงรับตัวกลับมาเลี้ยงดูที่จวนสิ้นอ๋อง แม้จะเป็นคุณหนูเปี่ยวแต่กลับได้รับความรักใคร่าจากคนทั้งจวนเพราะความเป็นมาที่น่าเวทนาหลินเซินจึงดูแลเอาใจใส่นางเป็นพิเศษนางถูกประครบประ ง, งมมาตั้งแต่เด็กไม่เคยต้องทนทุกข์กับการอาศัยบ้านผู้อื่นเลยแม้แต่น้อยวันนี้ถูกเยี่ยมเยินเฉยเช่นนี้จึงรู้สึกอัดอั้นตันใจดูเหมือนรถมา้าจะทับก้อนหินตัวรถจึงสั่นไหวอย่างรุนแรงเสี้ยชิงจือนั่งไม่มั่นคงจึงขลาไปข้างหน้าโชคดีที่หลินเซินยื่นแขนมาประคองไว้ได้ทันเสี้ยชิงจือ่อในหน้าขึ้นยิ้มอย่างอ่อนหวานโชคดีที่มีีพ่เซ คำพูดยังไม่ทันจบรอยยิ้มของนางก็แข็งค้างลินเซอรไม่ได้มองนางแต่กลับจ้องมองเย่เยาตามไม่กระพริบส่วนเย่เยายิ่งแล้วใหญ่นางไม่แม้แต่จะปลายตา ม, มองพวกเขายังคงเหมือมองออกไปนอกหน้าต่างรถม้าเจ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วลินเซอรตอบรับอย่างขอไปทีเขาประหลาดใจจริงๆว่านอกหน้าต่างมีสิ่งใดที่ดึงดูดเย่เยาได้ถึงเพียงนี้จนมองข้ามสายตาที่เจ็บปวดของเซี่ยชิงจือไป ตั้งแต่เด็กจนโตพี่เซริรนรักถนอมนางที่สุดในสายตาเขามีเพียงนางเท่านั้นแต่ตอนนี้กลับเปลี่ยนไปพระเย่เยาเพียงคนเดียวเสียชิงจือมองไปทางเย่เยวนางหลุดตาลงและเม้มริมฝีปากเงียบเงียบตั้งแต่เมื่อใดกันที่ในสายตาของหลิงเซริรนเริ่มมีเย่เยาเข้ามาเย่เยาไม่ได้มองดูทิวทัศน์นางกำลังตามหาเสี้ยศผู้นั้นต่างหากราชองค์การพระราชทานสมรสของฝาบาทจะต้องล่อเขาออกมาแน่ นางจงใจสร้างโอกาสที่ดีเช่นนี้สซสึกไม่มีทางไม่ปรากฏตัว